ฟังทำกันก็เป็นผู้พูดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังฟังแล้วเอาอไปทาอย่าจำเอาคำพูดเพื่อเอาไปขบไปคิดไทยใจพูดให้คิดพูดให้ไปทาดู <c oughs> นี่คือภาคปฏิบัติเราสอนกันเรื่อง การเจริญสติเขาบอกว่าให้รู้สึกตัวก็ไปทำความรู้สึกตัวดูดูกายกายที่จะเห็นมันได้ก็ต้องเตนาเคลื่อนไหวให้รู้สึกความรู้สึกตัวสติสปัฏฐาน น, น่ไม่ใช่ไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดาเนี่ยใครก็มีได้โจนผู้ไร้ก็มีได้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 จับโน่นจับนี่ให้เป็นระเบียบสติให้เป็นระเบียบตั้งไว้ตรงนี้มันจะไปที่อื่นก็เอากลับมาเหมือนเราจัดสิ่งของบ้านเรือนเรามีแก้วมีขวดมีน้ำ ม, มีถ้วยมีชามเอาไว้ตรงไหนก็ต้องให้อยู่ตรงนั้นให้มันมีระเบียบสร้างสติอย่างเดียวมันมีระเบียบ มระเบียบไปทั่วเอ่อจะเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวเนี่ยโดยเฉพาะมันจัดสรรกายใจจัดสรรทุกอย่างสํารวมอินทรีย์ลงไปในตัวเสร็จตาหูจหมูกลิ่นกายใจโูปรดกลิ่นเสียงอารมณ์ต่างๆมันจะจัดสรรเป็นการสัรวมอินทรีย์เกิดปริสุทธิ์ที่ศีล เป็นสินที่บริสุทธิ์สำรวมอินสีตาหูจมูกเี่นกายใจสำรวมไปอีกไม่ให้ยินดียินไล่ในวานเห็นรูปร้อมเสียงดมกลิ่นริมล็้อชาคริยานุโยคประกอบความเพียรไม่เห็นเจริเล่นเจะ น, นอนมากนักวันไปอย่างนั้นความรู้สึกตัวมันขยันไปเลยมันสำรวมไปเลยอินรีทั้งหมดอยู่ในกมอนี่คือสติปัฏฐาน ทำดูก็ได้ไ่ต้องไปนังหลับตาก็ได้ไปต้องไปหนีไปไหนก็ได้อ้ชนมันเลยอยู่ที่ไหนรู้สึกได้รู้สึกได้รู้สึกได้ไดที่ทำงานทำการี่ไปไหนก็ได้ความรู้สึกตัวถ้าเราสร้างให้มีให้มีทำให้มีทำมีแล้วทำให้เป็นด้วยมีให้เป็นเป็นให้ถูก เอาที่สุดก็ตายให้เป็นด้วยเจ็บให้เป็นแจ่ให้เป็นคนที่สุกดก็ไม่มีเกิดไม่มีแจ่ไม่มีเจ็บไม่ตายเป็นศิลปะของสติเป็นความชํานิชํานาญอเป็นที่พึ่งมั่นคงไปโนนอย่าสับสนสิ่งที่ทําให้สับสนอย่าไปสับสนสิ่งไหนที่มันทําให้เกิดความสับสนชี้หน้ามันได้เกี่นความคิด ระวังความคิดมันจะทําให้เกิดความสับสนเล่าระวังอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะทําให้สับสนอย่าสับสนความง่วงเผลอาานอนความคิดฟุ้งซ่านความนังเลสงสัยหาคําถามจากความคิดเมื่อได้ความคิดเกิดคําถามจะไปอยู่ตรงนั้นเอาการกระทําให้มีการกระทํา เอาความรู้สึกตัวบุกเบิกไปเอาการกระทาบุกเบิกไปบุกเบิกไปเลยถากม้นไปเลยมันจะเป็นโรคเป็นล่างก็เมื่อเราถากช่ า, า, างถากก็ย่อมถากช่างดัดลูกศรก็ดัดตะพึดตะเพอมัณฑิตก็ต้องฝึกตนตะพึดตะเพอไปลูกกายไปเรื่อยๆโรคกายในสติมาตั้งไว้ ตั้งไว้เล็วนานมันจะผ่านมานี่ทั้งหมดนั่นแหละถ้าเรามีที่ตั้งมันก็ผ่านมามันก็ดึงผ่านมาเหมือนกับชีวิตของเรามันมาเข้าแถวให้ดูจุดรวมหรือว่าตลาดนัดของชีวิตก็้ามาแหละอะไรมันอยู่ตรงนี้แหละแต่เราดูกายเดี๋ยวใจมันก็จะเห็นนองแหละเอทนามนก็จะเห็นความคิดก็จะเห็นอารมณ์ก็จะเห็น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 บางคนเขก็เพกาะเรากำมาานบางลูกก็พูดว่าจ ะ, อะขอถ่ายภาพหาถ่ายภาพผู้หญิงตายปัจจุบันถ่ายทั้งหมดถ่ายไปจนศพนั่นอืดจนศพนั่นเน่าจนศพนั่นเละจนเหลือแต่กระดูกดโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อสุภะ อะไรมันเป็นโลกดูยังไงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อสุภหะจริงๆมันเกิดจากความหลงเกิดจากความคิดพอมันคิดด้วยความหลงเนี่ยมันมันสกรปรกแล้วเป็นอสุภหะแล้วเบื่อแล้วตกใจใช้มันหลงคิดไปแม้ความหลงก็อสุภะแล้วน่าเกลียดสกรปรกยิ่งคิดไปก็สกรปรกความรู้นี่บริสุทธิ์ เหมือนั้นเาในความสะอาดในความบริสุทธิ์ความรู้สึกตัวเนี่ยกระดาใดที่มันลงเนี่ยมันสกปรกมันเปื่อเพื่อนมันเปื่อื่อนเราก็ขยะขแขงเราก็เลยไม่กล้าเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันสมบูรณ์แบบไม่ใช่ว่าเอา้าววัใดมีลาค้าจริตต้องเพ่งอสุภากรรมฐานวันใดมีโทสัจลิต ต้องแผ่เมตตาผู้ใดมีโมหจริตต้องเจริญสติปัฏฐานอนนั้นก็ถูกแบบนั้นแต่ว่าถ้าเจริญสติอย่างเดียวเนะี่ยจริตทั้งหลายลาบคราบไปเลยลาบคาบไปเลยจะเว็ลาข้าจริตเป็นโทสะจริตเป็นโมหจริตก็ลาบคาบไปเลยมากันเป็นพวงเลย วันเลือกตั้ง อ, อะไรเลือกตั้งผู้แทนแบบอะไรแบบอะไรได้มาเป็นพวงเลือกบุคคลเลือกพักได้มาเป็นพวงเลือกพักอย่างเดียวมาเป็นพวงอันนี้ก็เหมือนกันมีสติอย่างเดียวมาเป็นพวงศีลก็มาสมาธิก็มาปัญญาก็มาวิมุตติความหลุดพ้นก็มารูปคำอยู่ในองค์มรรค ดูอยู่ดูอยู่เห็นอยู่เนี่ยมักคือดูเนี่ยมันจะไปไหนคนที่ดูอยู่เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นดูอยู่นี่แหละเหมือนเขายกสาราหลังหน้าใหญ่ราชนามบัตเนี่ยเขาก็บอกดูหรือเปล่าดูหรือเปล่าดูอยู่นี่แหละดูอยู่เนี่ยมันจะไปไหนเราดูอยู่ความหนักความยิ่งใหญ่มันหนักขึ้นคนดูก็ดูเอ้าขึ้น ขึ้ขอขึ้นได้แบบเอาพอพอเราดูอยู่เราดูอยู่ถ้ามันเกินนั่ก็ไม่ให้เกินมันตําก็ยังเอาอยู่ต้องทําเอาขึ้นอีกขึ้นอีกก็มันได้แบบปบ๊เออพอพอพอดูอยู่ไหมเรายูดูไหมเราดูอยู่ไหมเรียกกันดูอยู่นี่แหละดูอยู่นี่แหละเออก็เบาใจถ้าถ้ามีผู้ดูอยู่คนที่ทํางานก็ทำตะเพิ่งตะเพิ่งไป อะไรมันจะเกิดขึ้นที่กายที่ใจอะไรมันจะเกิดขึ้นที่ตาที่หูดูอยู่นี่แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นเราดูอยู่คุ้มหัวมันอยู่เรามีชยภูมิที่ดูของชีวิตชั่นเชิงมันดีเพราะว่าที่ดูเนี่ยมันมีชั่นเชิงดีมีชยภูมิถ้าเป็นนักลบกบอกไม่ใช่ชนะสิทิ์ ถ้าดูถ้าเป็นเหล่าแพ้แต่พื่อเพื่อน่ะยังมาสร้างตัวดูขึ้นมาบางทีแล้วไม่เคยเห็นความคิดเราไม่แต่มันสั่งงานเราคิดอะไรก็ทำตามมันเวลานอนยังหาเรื่องไว้คิดไม่เป็นระเบียบความคิดมันก็ใหญ่เป็นใหญ่มันวอกปังคมาธรรมา มโนเสถ่ามโนมายามันเป็นใหญ่แต่ใหญ่แบบความป่าเถื่อนใหญ่แบบความป่าเถื่อนมันก็จะไม่เกิดความเป็นธรรมชีวิตไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าใหญ่แบบไม่ธรรมมันก็เกิดความเป็นธรรมเัินแม้นว่าจะใหญ่ก็ตามถ้าต้องดเูเนาะเพราะว่าที่ดูนี่ยช่ําเชิงดี ใหญ่เนี่ยใหญ่ด้วยความเป็นธรรมแมะความคิดเกิดขึ้นตรวจสอบตาเห็นโลกตรวจสอบโู้เยเย็นเสียงตรวจสอบการสร้างสติเนี่ยยิ่งใหญ่มากสู่ธรรมชาติอะไรฝืนไปไว้ได้แต่พยายามสร้างตัวนี้มีขึ้นมามันจะเป็นอำนาจมันจะเด่น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 ในฐานเป็นที่ตั้งเป็นกองทัพตั้งให้มั่นเลยตรงนี้ีต่ว่าฐานที่ตั้งเนี่ยกรร ม, มฐานเนี่ยเมื่อเราตั้งเนี่ยมันก็ต้องยึดได้ยึดพื้นที่ได้ยึดกายได้เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นความคิดเห็นจิตใจเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรม มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่กิดวันนี้ฉันก็เห็นบ่อยๆผ่านตาบ่อยๆเห็นเราดูมือเคลื่อนไหวดูกายที่มันเดินเห็นบ่อยๆมันจะเห็นเป็นรูปมันจะเห็นเป็นนามแต่ยังอย่างนี้ไม่ใช่เห็นนิมิตถ้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาได้ไม่ไปได้ยินเสียง บอกเสียงสอนอันนั้นบางทีมันเป็นนิมิตนิมิตนี้ได้หลายอย่างนิมิตทางตานิมิตทางหูนิมิตทางจมูกนิมิตทางลิ้นนิมิตทางกายนิมิตทางกิจใจอันนั้นเป็นนิมิตที่มันหลอกนิมิตจริงๆก็คือมีสติเห็นกายเนี่ยอันนี้เรียกว่านิมิตนิมิตที่ตั้ง พยายามตั้งไว้ใหมันเด่นเห็นชัดๆถ้าเห็นชัดเจนเราก็ความเห็นมันจะบอกมันเกิดญาณเกิดปัญญาทะลุทะลวงได้เช่นเราเห็นกายเนี่ยเห็นไม่จะเอะกันแล้วก็หลบๆลบลี่ๆอยู่หลบๆลบลีกๆอ ย, ๆๆอยู่ถ้าเห็นจนเราจับ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 ชนะเท่าไรมันก็เกิดอยู่เท่านั้นตราบใดที่มันมีลูกตราบใดที่มันมีนามมันก็ต้องมีเวทนาเอาชนะตัวนี้เอาชนะเวทนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่จริงหรอกชนะแบบไหนชนะแบบกดทับชนะแบบรู้ทันเลยขี้หน้ามันเลยเวทนาก็คือเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกคนตัวตนหลอเขาถ้าชนะแบบเห็นแจ้ง มันจึงจะถูกต้องถ้าชนะแบบบังคับขับใสจนดื้อจนด้านไปจนชาไปเลยอันนั้นก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่จริงมันก็ยังเกิีอีกเอาชนะแบบนั้นอีกมันไม่ใช่เอาชนะแบบนั้นตั้งสองชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงหรือไม่ถึงสองชั่วโมงคลิปต่อเดียวพอมันเกิดขึ้นก็รู้แล้วพอรู้มันก็ถือว่าชนะแล้วเห็นนะ เออเวทนาลูกแล้วชนะแล้วเสี่ยววินาทีเดียวชนะแล้วความคิดเกิดขึ้นก็เห็นแล้วเวทนาไดที่มันเกิดจากกิจเป็นอารมณ์เป็นความโกรธเป็นความรักความช้าความสุขความทุกข์ลู้แล้ววินาทีเดียวเสี่ยววินาที <c oughs> ไม่ใช่สี่ชั่วโมงนี่ยเป็นเวทนาในเวทนาเราเห็นเนี่ย ภาวะที่เห็นเนี่ยย่อย่อเวลาไม่ใช่สี่ชั่วโมงไม่ใช่แปดชั่วโมงเป็นการย่อให้สั้นเข้ามาเส้นทางมันยาวย่อให้สั้นมีเหมือนกันในพระสูตรพระเจ้าเป็นคนผู้ที่ย่อทางให้สั้นเข้ามาทางโยดหนึ่งย่อสั้นๆเดินแว บ, บเดียวถึง อันนั้นก็เป็นปุกคลาธิตสถานแต่ถ้าเป็นธรรมาธิสถานเนี่ยก็คือปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าพูดถึงกิเลสก็พันห้าโอ้หลายมากตัณหาก็ร่อยแปดแปดมืนสี่พันเรื่องในชีวิตเราเป็นพระสูตรพระอภิธรรมพระวินยัยถ้าเป็นหนังสือก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็ 80ดสิบเล่มถ้าเป็นภาษาบาลีก็สี่สิบห้าเล่มแต่และเล่มนหนาสองเนิ้อสามนิ้วก็มีต้องเรียนให้หมดเรียนให้ครบอันนั้นก็เป็นใหญ่มากแต่ถ้าเรามาดูเขาจริงกริงเนี่ยแอดมื่นสี่พันเรื่องคือเกิดคือกายคือใจเทไหร่กายเนี่ยเป็นตำราใจเนี่แหละเป็นตำรา พสูดเรื anyway ่องของตาเรื่องของหูเรื่องของอินทรีย์เรื่องของรูปของรสของกลิ่นของเสียงเรื่องของปธิภาะอารมณ์ต่างๆเป็นพสูดพสูดเป็นทางอกุศลเกิดความหลงความโลภความโกรธความรักความชังความสุความทุกข์เพราะสิ่งนี้มีสิ่นี้จึงมีสิ่นี้มีสิ่นนี้ก็มีไปเรื่อย สี่นี่ไม่มีสีนี่ก็ไม่มีไปเลยเลยเป็นสูตรของเขาแต่ละสูตรเนี่ยยาวบางเช่นอกุโสณอะไยเพราะอุณาถ้าเกิดสังขารสังขารเกิดนามลูกนามลูกเกิดอายตนะอายตนะเกิดผัดสะการผัดสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปทานเกิดอุปทานเกิดพบเกิดชาติเกิดชรามลนะโสมกะปริเทวะทุก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 ก่อที่ไปถึงความโกรธมันเกิด อ, อะไรตอนที่ไถงถึงความรับคําชังมันคือดอะไรมันเกิดมันเกิดดับเกิดเจียงไหมวันนั้นมันเกิดกี่พพกี่ชาติแล้วดับได้ไหมหยุดเกิดได้ไหมไม่ต้องเป็นไร่เจียความโกรธหรอพ่อวิชาก่อนเกิดสังขารสังขารเกิดนํามโลกอวิชชาคืออะไรก็คนไม่รู้รู้เลยรู้ผิดคือความหลงก็เลยไป ถ้าเรามาดูอยู่มาดูอยู่เนี่ยมันยอ่อมันไม่ไปขนาดนั้นถ้าไปไล่ตำลามันไปไกลถ้าเรามาดูเขาจริงภาคปฏิบัติจริงๆเราดูมันอยู่ผมชีพ้พความรู่พับทันทีดับแหละไม่ต้องไล่อวิชชาคืออะไรคือความไม่รู้ความไม่รู้คืออะไรคือความหลงถ้าเรามีความรู้อยู่มันก็ไม่หลงเอาแค่นี้ก็พอเนี่ว่าย่อเวลาให้สั้นสั้น เอามาจับมาดูต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยไม่ต้องไปอ่านตำราเอามาดูให้ต่อหน้าต่อตาเราเยโอ้มันหลงโอ้มันลูกเอาไปเอามามีตัวลูกตัวหลงเนะี <Yeah. S 1> ่ยเนี่ยมันเป็นลูกเป็นนามมันมีเวทนาจะไปสู้เวทนาเลยสิ่งถ้าเราปฏิบัติไม่ได้สู้ถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราทำผิดนสู้ สู้กับความโกรธสู้กับความทุกข์สู้กับความคิดไม่ได้สู้เลยไม่ได้สู้เลยเพียงแต่อืนน้ำลายเท่านั้นก็ตอดได้นะเช่นความคิดเนี่ยมันกลัวความรู้สึกตัวเพียงแต่อืมเท่า น, นั้นแหละมันวอดไปเลยละเหมือนเลยสีตาไฟมันไม่วอดไปเลยไม่มีซากศพแล้วเป็นฤลยสีเป็นมุนี มุนีไปว่าผู้ลอยบาปฤาษีไปบอกเผาไม่มันเป็นญาณ น, นั้นเป็นฌานฌานเนี่ยคือเพ่งเผาไม่มีซากศพฌานมันมากฌานมันแรงเพ่งเผาฌานเนี่ยชาปนกิจอย่างพวกเราเคยถูกได้รับการเชิญไปงานชาปนกิจชาปนกิจคือไปเผาไปมันร่างกายที่เน่าเหม็นให้มันวอดไปเหลือแต่ขี้เท่า ชาญที่เป็นความเพ่งเผาของความชั่วที่มันเกิดกันเราชาญจริงๆคือความรู้สึกตัวเนี่ยยอดของชาญหรอกรู้สึกตัวเนี่ยม้ยไม่ไมีซากหรอกจะใหญ่ขนาดไหนกี่เลนพันห้ารู้สึกตัวลอดไปเลยปัญหาลอยแปดลอดไปเลยความรู้สึกตัวถ้าเป็นมหาสติปัฏฐานไม่มีอะไรที่จะครอบงำได้ ใหญ่เด่นเขาว่ามาหาเนี่ยมันใหญ่ไ ม, ม่อะไรจะเท่ามาหามันใหญ่มันยิ่งใหญ่เราจะมาสร้างตัวเนี่ยถูกแล้วอย่าลังเลสงสัยอย่าสับสนอย่าไปคลำคลำําทิมตัวลงไปเลยมีความรู้สึกตัวตัดสินใจหะ ยึดแต่วความรู้สึกตัวอะไรก็ตามเข้าข้างความรู้สึกตัวเข้าข้างความรู้สึกตัว